ค น, นงับรองเอาเลยไพมิจังไหเอาเลยขออย่างเดียวจะย่เอาปืนมายิงเอาลูกระเบิดมาทิ้มใส่แล้วเอาค้อนมาตีอันนั้นแค่เจ็บแค่เทซิ่งเหล่านั้นเราไม่รู้เท่านั้นเองครับคนโง่โงมาสอนคนเจตนาขึ้นได้อย่างไรอันนี้เพิ่งก็เลยว่าไม่เสื่อคนได้ไปเสือ่อถีว่าท่านพูดว่าพี่ว่าครับอันนั้นมาสอนเฮาสิ่งที่มันโบแม่น เ, นเอง โคเสื้อคนไปเสื้อผีมันก็ได้เห็นน้ำผีเสนบอกมันก็ไปได้ไว้ผีเสนวาของว่าผีได้นั่นฉะนั้นจึงว่าอยากเป็นการกระแทกแดกต่ำเรื่อ่ากันยังเจ็บเจ็บแสบแสบเขาอยากกินเข้าผีมาบีบท้องให้เขาอยากกินเข้าบอบอมันเป็นเรื่องของมันต่างหากเขาปวดท่ายไปอุจจาระผีมาบีบท้องให้เขาไปปวดท่ายไปอุจจาระบพบ อ, บ อ, บอมันเป็นตามเรื่องของมันคือ ศึกษาหลักพุทธศาสนาศึกษาให้รู้จักจริงๆเมื่อรู้จักจริงจริแล้วเราไม่ต้องงอไม่ต้องเก้อขินในสมัยนั้นผมยังเสื้อว่ามีผีมีอันใดจะมาเฮตมาทำเมื่อนี้แล้วผมไม่ต้องกลัวเลยครับผมนึกว่าเทวดาก็ต้องไหว้ผีก็ต้องไหว้เพราะเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจริงๆเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซนรู้จัก และถือพุทธศาสนาร้อยเปอร์เซนตต้องรู้จักจริงๆจึงจะเป็นคนไทยได้จริงจึงจะเป็นสาวกได้จริงพระพุทธเจ้าสอนจังใดเราต้องศึกษาและปฏิบัติแนวพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วบอกว่ า, วาไม่มีอันใดอดีตอนาคตจะมาทาทุกข์ให้เราไม่ได้อดีตที่ผ่านไปแล้วจะมาทาทุกข์ให้เราก็ไม่ได้ อนาคตที่ยังไม่มาถึงจะมาทำทุกข์ให้เราเขาไม่ได้ทุกสุขจะทำให้เราได้แต่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นบัดนี้เราไม่รู้จักว่าปัจจุบันปัจจุบันนี่เราไม่รู้จักเราก็ได้เห็นใจของเราทูกปรุงแต่งในขณะที่เป็นปัจจุบันนี่ครับเราต้องพยายามดูที่จิตใจของเรามันปรุงแต่งในปัจจุบันนี้ เมื่อเรามีสติมาดูที่จิตใจปรุงแต่งในปัจจุบันมันจะบรถทุกปรุงแต่งวิธีนี้เป็นวิธีที่จะจัดการเรื่องโลภโกรธหลงความโกรธความโลภคมลงจะไม่มีจริงๆถ้าเราดูทันที่นี่แล้วนะมันจะหายไปจริงๆวิธีนี้นะวิธีต่อไปมันมีเปลือกมีกระพี้มีแกนมีแกน วิธีต่อไปเมื่อเราดูอย่างซีโลกโกตรหลกมาซีโบถูก ป, ปุงแต่งและมันที่มีอีกตื้นจิตหนึ่งจิตของเฮานี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเพิ่งกะเลยเอิญวาวีมุดวะทันแปลว่าข่มหลุดพน้นวะทันเค้นวานะเฮาบ่ต้องว่าวีมุดก็ได้บ่ต้องว่าบรรลุกก็ได้ครับบ่ว่าก็ได้หรือทีว่าก็ได้ ันว่าบรรลุนั่นเป็นเรื่องศั์สูงมันเป็นหน้าอัศจรรย์คำว่าบรรลุนั่นก็ได้อันว่าหลุดพ้นนั่นก็เป็นเรื่องเรื่องศั์เรื่องแสงมันเป็นหน้าอัศจรรย์บรรลุหรือหลุดพ้นบรรลุก็คือเขาเห็นแจ้งเขาหูจักเขาฟังแล้วเข้าใจนี่แหละครับหลุดพ้นก็แปลว่าเขาหยุดเขาเซานี่แหละครับ บ่แม่นอื่นไก่จักหน้อยนิดเดียวอื้ใจเดียวเข้าใจโดอย่างที่ผมว่าหรื อ, อยังผู้แด่ว่ากันเขวมากเป็นทุกสูบบุรี่เป็นทุกขเล่นการพ น, นันเป็นทุกซึ่งเสพติดมื่นเมานั่นมันเป็นทุกเขาเสาร์ เ, เลยว่าไปแต่ต้องสิ่งเหล่านั้นอันนี้พเนื้อเอื้นวาวีมุดคือความหลุดพ้นครับอันนี้เขาเสาร์นี่มันก็นหลุดพ้นไปทอ น, นี้สื่อได้ครับ บันนี้บรรลุบันเนี่ยโอ้เขาพี่จันโอ้ทุกจริงๆเนี้เข้าใจเข้าใจในพจนเอื้นบรรลุครับเพจน์ว่าเห็นแก้งพราะฉนั้นมันมีจังซีซื่อๆนี่นะครับพวกพี่เอื้นไก่นี่นะแล้วบันนี้เขาไปตีความายอันนั้นเกิดเป็นสับเป็นแสงแปรกันขึ้นมาฟาโทเลียน ก, กระบอกจีร้อนครับผมเข้าใจจังซีครับดิฉันผมกล้ายืนยันรับรองจังซี อันนี้เป็นวิธีที่พวกเราทุกคนปฏิบัติได้ให้ดูจิตดูใจของเราวิธีที่ต่อไปผมเคยได้ว่าให้หมูฟังวัดเหมือนกับถอนเส้นผมเขานี่ออกตามปกติเขาถอนเส้นผมเขาออกมาแล้วทอนออกมามันมันว่เป็นมันบ่เป็นหูเนื้อหนังเขามันหุบเข้าไปแล้วจะเอาเส้นผมเขาสักลงของเขานันโมได้มันบวกคือเส้น ไฟไม้หีบเขาจีไปแย่ก้นเข็มนี่มันว่เป็นอะไันครับตามปกติไฟไมหห้หีบเขานี้เขาจีไปแง่เข้าในหูก้นเข็มก้นเข็มมันมีหูครับพอดีเขาถอนไฟไหม้หีบอาาอกมาเอาสายไม้หีบที่ไปซอดเข้าของเขามันเข้าไปได้บัด น, นี้วิธีเขาที่ถอนเส้นผมออกจากเงื้อหนังเขานี้ถอนออกมาพวบมันบม่นมีหูครับมันมันนุ่มเข้าขันอีกตื้น แล้เอาเส้นผมเขาไปลงเข้าหูเข้าเหมืนโบได้จึงว่ามันโบถูกฝ่าโบถูกตัวมันครับพอดีเปิดออกไปปั๊บเอาไปแล้วกลับเข้ามาอัดเข้ากันโบได้อีกตื้นหนึ่งหรือผมได้เปรียบเทียบไว้เหมือนกับได้หรือเสื้อในรอนเอามาพึงไว้เขาเอาผ้าไปตากได้เพราะมันกป็นบดังขาดเอามีดไปตัด หรือเอาไฟไปจู้ไฟในร้อนน่ะมันหดออกจากกันดึงเข้ากันมันบูถึงกันแล้วเสืออเส้นั่นกับใส่บได้แต่เสื้อเสนั้นมีอยู่แต่ใส่บได้หรือสีเปียกยังไฟฟ้าไปไฟฟ้าในเพิ่นว่ามีไฟบวกไฟลบผมรู้จักเพราะผมมีขมรู้ดันนี้แต่มีผู้วางให้ฟังในสมัยผมไปอยู่ วัดส่วนประธานี่เนี่ยมันมีไฟบวกไฟลบว่าสั่งถ้ามีแต่บวกตัวเดียวกรบโบได้ถ้าบบมีลบไฟกระโ บ, บไปว่าสั่งอันนี้ก็คือกันถ้าตัดฟิวนึ่งเสร็จแล้วมันกรบโบเขาคือกันถ้ามันคาดออกจากกันแล้วมันโบเข้ากันจริงๆรับรองร้อยเปอร์เซนตทีเดียวนี่พระพุทธเจ้าสดอย่างตีครับเมื่อฟิวบูธึงกันแล้วมันเข้ากันโบได้มันโบติดคลายคลาคือนํมามัน เฮาจีไปละคนเข้ากับนํำทาบวกเข้าจริงๆผมได้เคยเฮ็ดกับมูเมื่อไปว่ากันพ อ, พอแล้วผมว่ามีปัญญาสีแก้ปัญหาของมูผมมีปัญหาเรื่องหนึง่งว่ากันไปกันมาแล้วผมจัดเทียนเทียนเล่มหนึ่งครับนี่มันเป็นอย่างที่คาสอนของพระเจ้าว่าผมเนื้อเอาเทียนทิ่มใส่ฝาทิ่มใส่มันเทียนมันแข็งเนี่ยครับไม่มันก็แข็งมันก็ฟงกระเด็นออกมาหลด เขาเจ้าหาว่าผมดูถูกข้าเจ้าแตอันนั้นเขาว่าคนโง่คนบอกเข้าใจอันนั้นแม้จะเป็นพระอรหันต์กระทำซ้างผมบ็ได้เงดว่าคนผู้นั่นเป็นพระอรหันต์เลยครับรับรองร้อยเปอร์เซนอีกตื้มคุณนี่ก็ได้ครับคนคนนั้นแหละแสดงมาเจ้าของเป็นพระอรหันต์อันนั้นพระอรหันต์นอกพุทธศาสนาจริงๆจริงๆทีเดียวครับรับรองร้อยเปอร์เซนแม้คุณธรรมนิดเดียวไม่มีเลยครับ เท็ดเพียงปิตณาธรรมแค่นั้นอย่างบุรุษจะไปเข้าใจธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าได้จังไเพ่ะของแขงต่อของแข่งกระทบกันไม่ติดถ้าว่าเอาดินเร็วๆโยนใส่ติดปับ๊บฉะนั้นเรื่องสติก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีเรื่องโกฏเรื่องลบเรื่องหลงก็ดีมันเป็นสิ่งที่ของแข่งกล้ายืนยันรับรองกันได้จริงๆ คำสอนของพระพระเจ้านี่ฉะังนั้นผมจึงว่ามือนี่เป็นมือที่จะเวาให้กันฟังถ้าหากมีบุคคลใดพวกเราเนี่ยผมผู้หนึ่งว่าท่นสามารถที่ปฏิบัติตามแนวเรื่องสติปัฏฐานสี่วิธีที่พระพระเจ้าสอนนั้นเอาผมผู้หนึ่งจะอยู่ด้วยครับ ครบกาหนดสามปีแล้วถ้าจิตใจยังโบ เ, เปี้ยนแปลงจากสภาพเดิมแล้วเอาผมไปฆ่าลง ก, ก็นได้ย่างนานนะครับถ้าเอาอย่างกลางนะถ้าเจริญสติปัฏฐานซีแบบนี้นะ่ะถึงปีหนึ่งถ้าจิตใจยังโบเปี้ยนออกจากสภาพเดิมนั้นเอาผมไปฆ่า ก, ก็ได้ถ้าย่างเร็วที่สุดเอา้าเก้าสิบบาทผมรับรองได้ ผมรับรองจริงๆนะครับบบไม่ให้เทวดามารับรองและบอกให้ผู้อื่นรับรองเพราะผมมีวิธีอย่างนี้และจะสอนอย่างนี้อีกด้วยขันท้าผมเบาอย่างเสียวอวดดีว่าท่นวากะยาบางทีผมมีดีอวดก็ได้ผมว่าเป็นคนอวดดีเวา้าแล้วผมทําบได้โบแมนบางทีผมมีดีอวดผมทําได้และผมกะเบ า, าได้อย่างที่กล่าเป็นได้ครับเพราะเรื่องจิตใจนั้นคนมองโบเห็น ฉะนั้นการทำพูดคิดทุกอย่างต้องสามารถรับรองยืนยันคำพูดของตัวเองทุกบุญผมก็คือมูธดฉะนั้นผมเนี่ยไปอยู่กับไผนั่นมันเป็นคนที่ว่าบกคอยอยากผูกกับหมู่บ้างไหนเพราะผมกล้ายืนยันอย่างสิ้นไผ่เว่าท้านแหนกตาม้า ง, าาารางเรื่องการทำบุญให้ฐานรักษณะศีตนั้นมันเป็นเรื่องสังคมคมันเป็นเรื่องสังคมควรทำเพราะเขาอยู่กับสังคม วิธีกรรมต่างๆเป็นเรื่องสังคมเรื่องการปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรมนั้นโบ้จำกัดจะเป็นเพศหญิงเพศชายเป็นพระเป็นเนรถือาศาสนาใดก็ตามสร้างนุ่งผ้าสีใดก็าตามนับรองได้จริงๆจะถือาศาสนาพี่มาก็ตามครับแต่ขออย่าให้เป็นคนเสียสติให้เป็นคนหูดีตาดี มีสติสมบูรณ์คือศาสนาที่กตัญญางครับวอลซื่อเนี่ยเนี่ยคือศาสนาคิดก็ตามคือศาสนาได้ก็ตาม<ช>เอาผมกล้ายืนยันกล้ารับรอง<ช>ผมมีวิธีการแนแหน่อย่างซีใดมีมีวิธีการอย่างท่านท่านได้มาจากไหนผมได้มาจากตํำรับตําราที่พระพุทธเจ้าสอนจริงเพราะว่าสัจกะเปร้วขวมจริง เพราะมรรคผลนี่ผานมีอยู่กับคนทุกคนเราจะไปก้าวกันว่าตายแล้วจึงจะเอาทำไมจิตใจที่บทูกุ้งแตงนั่นแหละ พ, พระพุทธเจ้าเอื้นว่าไม่มีเกิดและไม่มีตายไม่มีเกิดและไม่มีตายอันนั่นแหละเียว่าเป็นความสุขย่างแท้จริงมั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันมีอยู่ในคนนี้นะคนเฮาเดียวนี้เนี่ยมันบิดยกับ นั่งยุบหัวโซโมงเนกเปี่ยนไปอย่างนั้นเปี้ยนไปอย่างนี้จิตใจคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นอันนั้นเป็นว่าบมเมนของจริงของเท็จเป็นเพียงจิตใจเป็นมายาอยู่ครับฉะนั้นจึงมาเห็นของสแสลงต่างๆนั้นจะจับเข้ามาในปากในโบได้เพราะมันกลัวเนี่ยครับมันเป็นพิษลายเนี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุดไปเองถ้าเห็นแล้วมันหมุดไปเอง หมดไปตอนไหนตอนมันสะดุดใจมันยานคลา ย, คลายคือเหาจีไปตกเหวนี่ครับมีเหวเล็กๆ เ, เนี่ยให้เห่เาใบเหาจีไปบอพอดีไปมอเหวมันตกแล้ว ท, ท, ท่านตายซําเนี่ยจีไปบอสบ่ไปผมผู้อื่นจีไปกระตัญญ า, าแล้วผมบ่ไปแท้แทหรือว่ากองไฟกําลังลุกโผลอยู่เนี่ยไปแม่ไฟขนาดเย็นแล้วท่นโอ้ยบ่ไปผมเห็นไฟมันร้อนเลยผมบ่ไปแท้แทผู้อื่นจีเห็นว่ากองไฟนั้นเย็นกระไปซะบ่เป็นหยังครับ ฉะนั้นข่มโกรธว่มโลคข่มหลงนี่เป็นทุกข์ย่างยิ่งครับพมก้ายืนยันนับรองคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ว่าโอ้สิ่งที่คนว่าสุขนั้นพระพุทธเจ้าว่าทุกคนสิ่งที่ว่าทุกนั้นปุถุช น, นเห็นมันตรงกันข้ามว่าจิตใจบุถุกปุงแแดงว่าเป็นทุกข์กัจจาวาสัง เพราะมันเห็นไปต่างกันทังสันคับคนคันได้โกธผู้อื่นแล้วสบายใจนี่พระเจ้าคันแล้วเขาเคยได้ยินได้ฟังเพราะพระเจ้าคุณสอนว่าการเอาชนะคนอื่นร้อยทีไม่มีประโยชน์เท่าเอาชนะตนทีเดียวการเอาชนะตนเขานังคือความโกธรความโลภกุงหลงบกเกิดขึ้นเพราะเขามีสติดูอยู่ที่จิตใจของเขา เป็นการเอาชนะสงครามย่างแง่หลวงหรือย่างแง่ที่สุดเป็นสงครามย่างไง่ที่สุดได้ครับเรื่องจิตใจเขานี่เขาไปสู้สงครามผู้อื่นนั้นสู้ได้ไง่ายๆเรื่องสู้สงครามตัวนี้นะโอ้สู้ได้ง่าได้สบายที่สุดอ้าวทำไมว่าสู้ได้ย่าก็สบายที่สุดเพราะว่าจิตใจอันนี้เมื่อมันบ่มีอย่างแล้มันสบายที่สุดครับ มีคนมาด่าเขาที่ใครใครคือเขาเย็นใจนี่ครับมันเย็นสบายซิวซิวอยู่มันบ่มีอันใดสีลับครับมันบ่มีอันลับหรือเครื่องลับมันขาดครับเครื่องลับมันขาดเพื่อนเลยเลยเอื้อนอายัตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมเป็นภายนอกมันดูดเข้าหากันเราตั้งขึ้นว่าแท้ความจริงนั้นมันดูดเข้าหากันว่าไม่มันดูดครับ มันคล้ายๆคือแม่เหล็กแม่เหล็กเนี่ยถ้าเรามีแม่เหล็กจับเหล็กแม่เหล็กนี่ไปเหล็กเล็กน้อยๆนั้นมันจะดูดเข้ากับแม่เหล็กมันจะไปติดกับแม่เหล็กไั่นหมดบัดนี้เราเอาแม่เหล็กมันไปฆ่าเสื้อมันซะเอาไปฆ่าเสื้อไปซุบน้ํายาแตแม่เหล็กนั้นก็มีอยู่ครับแล้วทีเอาไปดึงไปตามเหล็กเศษนเหล็กเหลือนั้นแม่เหล็กนั้นมันจะบกดูดเอาอันนี้ก็คือการขับ เมื่อเราทำถึงที่สุดมันแล้วมันสิบบจูบเอาคับรับรบองร้อยเปอร์เซนต์ุมนี้ก็คือกันพ่อพระพุทธเจ้าสอนมาจาังสิวิธีที่ที่เป็นอย่างนี้นั้นโบมีอื่นไก่ครับที่เอาเงินไปซื้อกับโบได้ที่ไปนั่งหลับตาอยู่ในธรรมพนกับโบได้เรืองที่ไปนั่งอยู่ในป่าให้โยงกินอยกับโบได้พอเมื่อตายครับโบได้จริงๆ ผมเคยไปอยู่ในธถ้ำกับคุบาจาย์ก็ไปอยู่แล้วเคยไปอยู่ในป่ากับคุบาจาย์ก็เคยไปอยู่แล้วอืมไปอยู่ป่าพุนกัญญามาขอบกินข้าวกับพ่อออกไม่ออกไปอยู่ในธถ้ำพุนกัญญามาขอกินข้าวกับพ่อออกไม่ออกถ้ำหมายถึงความมืดต่างหากควมโง่นั่นแหละครับอันถ้ำนั่นก็หมายถึงความโง่นั่นเหละมันมืดถ้ำอะอันคนโง่ในจิว่าจิว่ามันสว่างบ่กับมืดนั่นแหละครับ อันป่านกักนกหมายถึงความยุ่งควา ม, มหกความเดือดร้อนเผาหล่หเเนเท่านั้นเลยครับเมื่อเขายู่ใส่แล้วมันบ่มีความหกบ่มีความยุ่งเนีนั่นก็บสบายเขายู่ใส่บ่มีความมืดนั่นก็สือว่าสบายบ่ต้องเข้าไปอยู่ในถ้าบ่ต้องเข้าไปอยู่ในป่ารับรองลอยเปิดต็นอันนี้ก็คือการครับแต่คออย่างเดียวว่าวิธีนั้นเหาเบิ่งตัวเหาเบิ่งจิตเบิ่งใจเหาที่มันปลาอดเกิดขึ้น อย่าให้มันถูกปรุงแตงไปนี่มันเป็นอะไรครัอันนี้เป็นวิธีที่เราให้ฟังนีวิธีที่ถอนคนออกมาแล้วเอาส่วนเข้ากันบูได้อีกซึมนั้นอันนั้นเป็นวิธีสุดท้ายที่สุดที่สุดของทุกอันนั้นอันเรื่องโลบโกดลงเนี่ยเนี่ยเพเป็นที่สุดของทุกได้ครับยังบูแมนถ้าหากผู้ใดว่าว่าโลบโกดลงเป็นที่สุดของทุกกับแมนยูผมบูได้ปฏิเสธแมนยูอันนี้ มันเป็นของเปลือกหนึ่งต่างหากของมันเท่านั้นที่ซื้อสิ่งซิ่งที่มันบุถูกปรุงแต่งขึ้นมาไดจากเื่อ น, นั้นแ่ะมันเห็นอยู่ทังตอนเต้มันมีอยู่ทางตอนเสื้อกในร้อนเนี่ยครับเอาจุดไฟเข้าปุ๊บมันไม่เป็นแสกแล้วเาไปจับเข้าไปมันแข็งมันติดกันเลยทีเอาขยายไปเป็นอย่างอื่นบุได้อิ่เติมครับมันเป็นยังไงอันนี้ผมเข้าใจเรื่องนี้นั้น ผมกำหลังยางอยู่ครับผมยางอยู่ตอนเสาอันนี้นี่ขอแสดงความจริงให้ฟังนี่แหละสัจจะเรีกวความจริงอย่าไปปฏิเสธข้าท้าไปปฏิเสธจะแปลว่าเขาไม่ได้พูดความจริงให้หมู่ฟังแปลว่าค่าสัตว์สัจจะมันมีอยู่ทุกคนแล้วเรื่องนี้มันมีอยู่ทุกคนแล้วค่าสัตว์ตัวนี้แหละครับแปลว่าค่ามรรคผลผนิพพาน บอกให้มรคนิพานเกิดขึ้นกับจิตใจของคนอันนี้เป็นอันตรายหลายกาที่สุดครับผมไม่ฆ่าเนื้อฆ่าปูฆ่าปลาอันนั้นก็แมนอยู่ครับอันนั้นก็แมนอยู่ตอนฆ่าตอนนี้แหละครับมันสําคัญที่สุดขอให้พ่อแม่ครับาอาจารย์ทุกคนจงพยายามว่ามรคนิพานมีอยู่ในเฮาแล้วนี่นะ่ะเฮตในเฮาไปฆ่าทิ้งเฮตในเฮาทบ่บอกมาใส่มันก็ผิดที่ฆ่าจะควรเป็นมนุษย์ไปที่เฮา มันก็คาดจะควรมเป็นมนุษย์คาดควรมเป็นอาเรียบุคคลได้แท้ๆเขาซิโบต้องการไปนําเพิินบอกเขาซิโบอยากเป็นมนุษย์บอกซิโบอยากยกระดับจิตของเขาซิโบอยากไปในผ่านนําเพิินบอกพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีอยู่แล้วนี่นะนี่เขาโบเหตโบทำก็เป็นการกล่าวตูเป็นการอุตริหรือเป็นการฆ่าสัตว์หรือเราจะได้ถูกมดครับคันไปฟังก็ไปฟังขอบคนโง่คนเอาเวา่อว่ะ คนผานเพื่นว่าเซฟเซฟไปว่ายู่หําครับเซฟไปว่ายู่ําำยู่หนำคนผานกับคนพานนั้นเหละเว้าซี่หูอยู่สู้มือเนี่ยเพื่อนว่าเซฟไปว่าซ่องสุมอยู่กับคนผานแม่ว่าเซฟเมถุนอาจารยอยู่กับคนผานลักของเขาไปอวดจับเอาคําพูดของผู้อื่นมาเเวนอืฆ่าสัตว์อาจัรมักฝนนิเปื่อนนี่เพื่มมอนมาแกยังทันพระพุทธเจ้า อันนี้ผมว่าเห็นพระพุทธเจ้าครับความตั้งใจมันเป็นยังสั้นครับเพิ่นเว้าจังสั้นอันนี้เขามาถอนเนื้อหาหาระ น, นั้นมาเว้าให้มันสลับสลวยเข้ามาแล้วยครัเพิ่น<ร>มาแต่งใหม่ๆครับแล้วท่านทั้งหลายผู้ที่เคยบวชเรียนเขียนอ่านเนี่ยเคยเข้าวัดฟังธรรมมาหลายคนสังญญขัญนายครั้งที่หนึ่งที่สองนี่ยังไม่ได้เขียนหนังสือพระพุทธเจ้าตายไปจากปีแล้ว บางทีจำอจาจจะขาดเคือนผิดมากก็ได้งานเขียนหนังสือพระไตรปิฎกนั้นเขียนช่วยจําเท่านั้นแหละครับเขียนช่วยจำำําคําสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันจะหลงจําไว้เขียนหนังสือบันทึกไว้โบเมนโตทำโบแมนโตมียังแต่ก่อนผมถือขังครับขันพได้เขียนโตัวทำแล้วผมเกืนโบลงวะผมเป็นเนนต้องเขียนโตัวทำผมยังอ่านได้ซอบใจ เมื่อมาเข้าใจอย่างศีลโอจะเป็นโตไทยก่สร้างเป็นโตธรรมก่สร้างเป็นโตอันใดก่อตามสร้างเขียนส่วยจําบ่กให้มันหลงซื่อจําคําพูดของพระพุทธเจ้าแล้วมาปฏิบัติตามเท่านั้นซื่อเรื่องนี้มันมีอย่างสีลผมรับรองยืนยันร้อยเปอร์เซ็นครับถ้าหากผู้ใดมีความสามารถออกก้าได้ครับทุกคนเนี่ยต้องมีอายุอยู่ ภายในสิบปียี่สิบปีเนี่ยต้องมีผู้หนุ่มผู้น้อยเจอผู้เท้าเจกบกบับวแล้วขบบัวผู้น้อยตายก็กมีเนาะเกิดมาบางทีลุกจากนี้ไปรมตายก็ได้ได้เนี่ยผู้น้อยก็ได้ผู้ใหญ่ก็คือกันแล้วเฮาสู้ทุกสู้ยากมานี่แล้วจากปีแล้วถ้าหากผู้มีอายุถึงยี่สิบปีนะสู้ทุกสู้ยากมาโดยยี่สิบปีแล้ว ถ้าผู้มีอายุหกสิบปีกับสู้ทุกสู้หญามาหกสิบปีแล้วเขาจี้อดสลัดเสียเวลาไปปฏิบัติธรรมภายในเก้าสิบวันีนบุได้ตีคนบุไดก็ตายสาเท่านั้นเลยเว้มันมีผมเบาเนื้อมันก็มดแหงที่บอกให้คนฟังแล้วคนเฮาเนี่ยคันบอกซื้อๆนี่โบอยากเอาคันมีผู้มาตรวจแล้วปุ๊บพับเอารถเนี่ยมันเป็นอาตันคนคนนี่บอกซื้อบุเอาได้คนเฮาผมมันผตัวบุเป็นมันเป็นอาตัน คันตัวนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นการโกงหกมันเป็นการพูดคํำยาบคายบบไม่คําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะนะพระพุทธเจ้าเพูนบอกว่าเรามีอย่างไดควรเข้าใจอย่างไดทำอย่างไดคนจีพนทุกต้องเอาอันนั้นมาเว้าเพราะคนทุกคนเกลียดทุกต้องการความสุขคันเว้าเรื่องความสุขให้ฝังสะบัดบวกเอาปิดไปโหลดคันบวกให้เอาทุกปุ๊บปั๊บเข้าไปแบกเอามาโหลดทัานสินะมันเป็นอย่างสั้นอย่างวานั่นแหละ พันเฮตบุญเอาแต่ขาคุยลงเธอะเอาเล่ามากินเธอะก้อนทุกอันหนึ่งคนเขานี่มันเป็นก้อนทุกอันหนึ่งครับฉะนั้นอยากขอลองให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนศึกษาจิตใจดูุลนจับปรากฏเกิดขึ้นมาจริงๆงับรองร้อยเปอร์เซ็นตเฮตซิ่งอื่นไม่ปรากฏไม่ปรากฏจริงๆพ่อแม่พี่น้องทีไปมีการปลุกเสกคาถามนยัน ปลูกอันนั้นอันนี้ขึ้นมาปลุกปล๊กปลกให้มาขังเป็นเครื่องรางของขังฟันโบเข้าปืนยิงโบอองโอะอยากไปเฮ็ดมันเป็นเรื่องสมมุติลอกลวงของคนที่โบเข้าใจซื่อจะเฮ็ดก็นยังดีเพราะเป็นกาลังใจน้อยๆครับไม่แม่งของจริงของแท้คนที่ไปปลุกเซกยังตายสํานะครับอันนี้ขอไผ่น้อยๆอย่างนี้เบาซื่อเขาเคยได้ยินว่าสมเด็จพระสังฆาราไปเจิมป้ายรถขาเจ้อืะ ผมได้ยินอันเนี้ยแต่ผมก็เห็นหนังสือพิมพ์ซ้ำเป็นอย่างแต่ว่านังสือพิมพ์สฉบับใดผมบ่จำครับไปจามาไปเจิมเพิ่มลดผู้อื่นไปเจิมได้ลถเจ้าของอยังบ่เจิมคว่ำตายซ้ำสมนลำหน้าบอกว่นั่นแหน่นนนมันเป็นอะไรต่างอันนี้ของผู้จริงบ่แท้ไปให้ถ้ามันจริงขึ้นมามันจะจริงได้ยังไงต้องเอาของจริงมาเว้าสู้กันฟังทิ่คันสมว่าจริงที่ตายซะท่านเขาตายก็ตายแล้วมันจเป็นอย่างนั้นคงว่าของจริงครับ ของจริงซี่ผิดกฎหมายเนี่ผิดกับผิดเท่านั้นแล้วของของจริงมันเป็นอย่างตันเนี่ยครับลองทุกคนเอาของจริงมาเว่าวสู้กันฟังบังรู้บังเนี่ยผมมารับหลองว่าจเจริญแท้แเมืองไทยนีย่อันนี้โบจากจริงจากคนผู้ที่ทํางานตามหน้าที่โบทํางานตามหน้าที่มันก็นําความเดือดร้อนมาใส่เห่าสนวะเพิ่ว่าจงทําดีไว้ให้ลูกจงทําถูกไว้ให้หลานท่านที่ทําดีตายไว้ให้หยั่งเสีย ทำดีไว้ให้ลูกเห็นแม่ทำทุกไว้ให้หลานเห็นแม่มันอย่างแมนนอันนี้ทำผิดไว้ให้ลูกเห็นทำผิดไว้ให้หลานเห็นมันก็เอาเป็นตัวอย่างขึ้นมามันกระโบดีสนวะบัณฑิตขวมเดือดร้อนขวมวุ่นวายมาเกิดขึ้นสนวะบัณ น, นี้เมื่อมันเกิดขึ้นได้ไปลังงับสิไดบัณฑิตไปลังงับปลายเหตุโบแล้วลังงับต้นเหตุครับอย่างแล้วสมมุติคนอื่นด่าเหวินเนี่ยครับยาสุดาคอยแม่สน่ที่ไปห้ามข้าเจ้าไดบอกขาเจ้าจีดาอยู่แล้วน่ะ โอ้ยยากก็ยากเขาแล้วเขาเห็นว่าทุกเกือบตายแล้วสุกับน้ามึงเด้เกิดไม่เมือนทุกโหนทันเขาแล้วสบายใจอยู่เพียครับนี่มันเป็นอาจารย์ทพร ะ, ระเจ้าสอนคนที่โกธรเขานะ่ะทุกแทบตายนะหันใจบ่พอนะครับดิ้นหล่นอยู่ว่าเบือว่าเบืออยู่นะครับหมู่เจ้าจีเข้าใจว่าคนโกธคนเป็นสุขบอกโอ้บอ่แมนครับตัวนี้ทุกจริงจริงรับรองลอยถึงลอยครับ เนพ่อเข้าใจอย่างเต็มวัยเนี่ยพ่อบวงโหราเผยตีโกดเนยพรอก็ทตำสร้างแล้วเนี่ยพ่อบทที่เก่งนี่ยพ่อก็โกดคนคือกันว่าได้ด่าเขาแล้วว่าสบายใจเลยโบแมนเจ้าของทุกคนโบลูจักทุกอันนี้พันว่าจะว่าเห็นทุกเป็นสุขเห็นนรกเป็นสวรรค์เห็นโกงจักเป็นดอกบัวพระพุทธเจ้าควรสอนอย่างนั้นย่าเห็นตรงกันข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นทูกต้องคำสอนของพระพุทธเจ้านี่บ่หลายครับ คำซสอนของพระบริเจ้าทั้งสามปิดกพระสูต้ตันตาปิดกพระวินัยตันตปิดกพระอภิธรรมตันตาปีดกเลยอยู่ที่คนนี่แหละอยู่ที่กายนึงว่าจานใจนึงสามปิดกเอามอ้อที่เดียวก็ได้อื้อใจเดียวลดมาเดียวครับ่เ่ยให้เบิ้งจิตเบิ้งใจมันเป็นไปเองตามหน้าที่ของมันมันเป็นไปเองเมื่อเขาเบิ้งจิตใจเขาแล้วมันเป็นไปเองชื่อว่าทางทเดียวเท่านั้น หรือทางเดียวเท่านั้นเดินไปคนเดียวเท่านั้นและมีจุดหมายปลายทางอย่างเดียวกันเท่านั้นทุกคนต้องไปนี้ถ้าบัวไปนี้แล้วไม่มีทางไปเลยรับรองร้อยเปอร์เซ็นนี่มันเป็นอัไรคำว่ารับรองก็ต้องรับรองโยงสันบัวสาวเจ้เจือกล้าหานคนกล้าต้องไม่กลัวตายคนพูดความจริงจะไปกลัวตายทําไมตายแล้วก็แล้วไปขอให้ได้พูดความจริงแล้วก็แล้วกันไม่สามารถที่จะไปโกหกคน คนโกงหกคนนั่นจะเป็นคนจริงได้บอกไม่จริงคนพูดความจริงและทําจริงจําเป็นต้องมีคนอิสราอันนี้ผมได้คติกับหลวงพ่อจะคณะจังบันเลยนี่แหละครับว่ายงานทําดีนะต้องมีคนอิสระสัพนไวายฟังอันนี้เราจะเอาให้คนอิสระเราหรือหรือจะให้คนรักเราสัพพลวาอันนี้เราอยู่สมัยบ้านบุพผงคนไว้ฟังเมื่อทําดีแล้วจาเป็นต้องมีคนอิสระสเพพนว่า เขาก็อิสระที่เขายันลืนเขาเด้ครับเขายันลืนเนี่ยเขาทําดีเนี่ยอันอยากให้เขาหักเขาเขาอยากให้ขาเจ้าหักเขานะเขาไสเนี่ยก็ต้องทําดีเขาเจ้าบอกให้ไปตักน้ําไปทิพไไปรถไปล่างซ้วมมาไปรถซักผ้าค่อยไปไปรถถูตีนให้ค่อยได้ถูโถดให้หยังให้รถเขาก็หักแล้วเขาว่าคนบูคืนขัดเขาอย่าจักอย่างเนี่ยเขาหักเสียนะ ลองวันนี้เขาบอกให้ไปรักของเขาด้วยบัวไปไปกินเหล้าด้วบัวไปไปตีคนด้วบัวไปเขาก็สั่งแล้วสั่นสั่งกระยาแล้วเขาโบเหติตละก็ถานสามสาผมผมได้อุดมการณ์อันนี้มาโอ้จริงการทําดีนั้นต้องมีคนอิจฉาการทําดีมีคนอิจฉาดีก็ทําซัวคนนินทาครับการทําดีมีคนอิจฉาจําไว้นะครับ ดีกว้วทาซั่วคนนินทาครับเออคนนินทาทําซั่วแล้วเขานินทาอีกตื้มขจิว่าอีกตื้มอย่างนึ่งนะครับมันตรงกันข้ามการทําดีมีคนอิสาบเนี่ยถ้าทําซัวมีคน ส, สนับสนุนอ่าขจิว่าจังสิขด้ครับมีคนสนับสนุนมื่นคนแสนคนผมกระโบเอาเป็นการทําซัวแล้วผมบรเอาจริงๆครับ พอคนเกิดมาในชีวิตหนึ่งๆ น, นี้นะเราจะทำอันใดไว้ควรทำอันใดอันนึงไว้ให้เป็นมีเกลียดไว้ในเมืองมนุษย์นี้ฉะนั้นเหาอยู่เนี่ยทุกคนมีอุดมการณ์อย่างนี้ที่มาเนี่ยผมว่าควรที่จะทำให้เป็นอุดมการณ์อันนึงไว้ให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสำคัญที่คนยังบบเคยทำที่คนยังบบเคยคิดต้องคิดลิเริมขึ้นมาไว้ สิ่งใดคนบวกเคยทาสิ่งใดคนบุกเคยคิดคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นั่นแหละสิ่งที่ดับทุกนั่นแหละคนบุอยากทำกันพระพุทธเจ้าตายไปแล้วซองพันขัวปีแล้วมีแต่พวกเขาในน้อยนี่แหละที่มาทำกันฉะนั้นมือนี้พวกเขาก็ต้องพยายามตั้งอกตั้งใจทำกันขึ้นจริงๆ <c oughs> นอกเมื่อจากการบาเพ็ญทางจิตไปแล้วไม่มีเลยจะเอาเงินไปซื้อกาบได ซือความสุขประเภททางจิตนี่นะครับมีเงินน่าเงิ น, มนเมื่นเงินแสนกนระโบได้มีแต่การค้าโตตายนั่นนะมีเงินน่าเงินแสนน่ะแย่งซีนกันอยากดีอยากเด่นอยากมีซื้อมีเสี่ยงมีซื้อมีเสีย ง, ยงกระตายคือกันอืทุกจนกระตายคือกันยิบไปอิสระที่สยาเบียดเ บ, บียนกันเฮ็ดยังพยายามรักษาความสงบของภัยของเราแล้วนั่นแหละเป็นบรมธรรม นั่นแหละซื่อว่าผู้ทุกข์กับมีสุขได้ผู้ร่าผู้รวยก็มีสุขได้สุขได้เฉพาะจิตใจไม่ถูกปรุงแต่งนั่นแหละอันนี้แหละเป็นยอดปัถนาทุกคนมีอยู่แล้วเรียกว่าสัจจะแปลขวมจริงอย่าไปฆ่าสิ่งนี้ออกไปถ้าผู้ใดไปฆ่าสัจสิ่งนี้ออกไปแล้วซื่อว่าเป็นคนอาตัดต ญ, ญูเป็นคนหลวงโลกเป็นคนไม่พอคุณเป็นคนที่ว่า ไม่ใส่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เนราชาพราะความสุขมีอยู่ในตัวเราแล้วไม่เอามาใส่มันเป็นอย่างสัตวพอออกไม่ออกฤกษ์อุบาจาร์ทุกคนมันมีอยู่แล้วได้หนีผ่านเดี๋ยวนี้นี่มีอยู่ในคนทุกคนในบุษยว่ามันบุมีเลยแล้วเพาไปหาว่ามันบุมีท่านมันบุมีกับพะเหาบโซกมาแล้วพุ่นไปซอกเอาบอ้านใดหุบบุหุบหจกักไปไว้พระบาทบนนั้นไปไว้พระบาทบนนี้นึกว่าบุญอันนั้นต์จิมาซอยวัสนอันนี้ขับรถมิตรตํานี้ครับว่าให้ฟังซื่อ ผลที่สุดเอาขึ้นรถขึ้นเรือหหเหมารถเหมาเรือไปไปไว้พระบาทบนอั่นไปทอดพระป่าบนนี้ไ ป, ไปอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยเป็นแ่เพียงรู้วิธีเรื่องราวการปฏิบัติเพื่อทับทุกข์เท่านั้นเอง ดังนั้นเราเป็นคนไทยทุกคนที่เึงคนไทยว่าแสดงตนว่าเป็นคนไทยรักษาศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าพระสงฆ์ก็เรียกว่าเรามาทําให้อายุพระพุทธศาสนาจเจริญกล้าวหน้าเราเราเคยพูดกันนั้นแต่ที่จริงแล้วบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัติ ในทางพุทธศาสนานั้นเราจะควรทำอย่างไรแก้ไขยอย่างไรประพิปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทุกคนควรศึกษาและปฏิบัติเอาไว้แม้กระทั่งญาติโยมแบบนี้เมื่อเราลักสร้างาศาสนาสรางมหากษัตริย์ถือว่าเราเป็นคนไทยเราก็ต้องศึกษาว่าประเพณีขนบธรรมเนียมของ คนไทยเนะี่ยเป็นยังไงเราควรศึกษาเอาไว้นี้ทีนี้ผมดูมันจะหลงเสียงไปเสียแล้วเพราะผมพูดภาษากลางไม่ค่อยเป็นมันมันจะหลงเสียงผมจะได้กลับมาพูดว่าผมเป็นคนสาวจังหวัดเลยครับแล้วผมก็เป็นคนแก่ ผมไปไปกรุงเทพเนี่ยครับที่แรกคนกรุงเทพฟังภาษาเมืองเลยไม่ค่อยรู้เรื่องครับดังนั้นคนไทยด้วยกันก็ฟังภาษากันก็ยังไม่เข้าใจอยู่แล้วเราจะไปเรียนภาษาอินเดียก็ยิ่งแล้วก็ยิ่งมีศั์แสงสมัยนี้คนไทยถ้าจะพูดในทางพระพุทธศาสนาก็มักสั์แสงกัน ทำของน้อยให้มันมากขึ้นและทำของที่สบายให้เป็นความยุ่งเราก็เลยศึกษาหลักพุทธศาสนานั่นก็เลยไม่พอยอยากจบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาถ้าใครพูดเป็นสัตว์แสงเป็นภาษาสัตว์แสงใหม่ ๆ, ๆก็ติดอกติดใจสิ่งที่เป็นเดิม เรื่อมูลแท้ของปู่ย่าตายายของเราคือของคนไทยแท้ๆนะครัไม่ค่อยอยากรู้เรื่องไม่รู้จริงๆเอาแหละวันนี้ผมถือว่าว่าภาษาบ้านเฮอลครับบันนีผ้ผมลงเสียงเมื่อกี้นี่ผมลงเสียงไปเนะี่ยมันผมโบธนัดครับผมไปว่าอย่างหนึ่งครับว่า เอ่คนเราทำไมจึงผู้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเหเป็นอย่างไรเออ น, นทัทถามเขาตอบว่าทำไมผมเป็นคนไทยผมก็ต้องรู้เหมือนกันเขาว่าอย่างนั้นผมผมก็เลยบอกว่าโบลูสิ่งที่โบลูสมมติว่าซื้อขนนี่นะครับซื้อคนในปอนในขอนี่ครับที่แรกผมรู้จักผมจึงให้ขัาเจ้าเอาเงินไปซื้อมวนเทพ เพียงไปซื้อมวลเทพเนี่ยครับกีฬาเนี่ยผมฝากเงินไปซื้อมวลเทพได้ไหมครับว่าบุรูษจักเลยครับคนไทยคนภาคงานคนกรุงเทพเนี่ยบุรูษจักครับปีนั้นผมไปอยู่ในเทปเนี่ยเพื่นมู่คณะสงนี่แหละไปประสุมกันอยู่ที่ท้ำปุถิสัตว์ท่านเจ้าุนปัญญาว่ากับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเลยนะครับ ขอให้ผมไปอบรมกรรมาฐานที่วัดสวนประธานเมื่อไปถึงวัดสวนประธานแล้วผมก็เลยอยากได้มวนเทพไปซื้อมนเทพให้ผมเลยนะครับบุ่หู้จักครับคำว่าซื้อกับชื่อมันเป็นคำละคากันแล้วทางสําเนียงบ้านเขาว่าซื้อซิ่งรู้จักซื้อในกอในของหู้จักซื้อสิ่งซื้อของรู้จักเป็นตัวเดียวกั น, นรับเป็นสําเนียงเดียวกัน และเมื่อพูดมาแค่นี้ผมก็จะเลยมาย้อนว่าการไปการมาอีกนึ๊ดเฮผมไปยุกรุงเทพนะครับผมบปได้ไปโดยภาราการบางคนอาจจะว่าผมนี่เป็นคนสันโดษอยากไปยุกุงเทพอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างสังเกตได้แต่ผมไปได้เป็นอย่างสันบปได้ไปตามภารก า, ารผมอยู่ใสผมนึกว่าผมเป็นผู้น้อยเป็นผ่าผู้น้อยเพราะผมเป็นคนแก่ บรได้ศึกษาเราเรียนทางปริญญาต้องอาศัยคือมีพักมีพวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเลยนี่นะครับเป็นที่เคารพผมเคยเคารพมาตั้งสมัยผมเป็นโยมครับก่อนที่ผมเคยเคารพเจ้าคณะจังหวัดเลยสมัยผมเป็นโยมที่แรกผมไ่รู้จักผมนบ่รู้จักเจ้าคณะจังหวัดเลยนี่ผมไ่รู้จักจริงๆแต่ก่อน ผมได้เป็นโยมไปฝึกหัดไปอบรมกรรมฐานอยู่ที่จังหวัดหนองคายพอดีผมรู้เรื่องว่าวิธีหลักพุทธาสาหนานี่เป็นจังที่จังที่ผมก็เลยมาขอหนังสือจากเจ้าคณะจังหวัดเลยอยากให้เจ้าคณะจังหวัดเลยทาพิธีการเปิดอบรมที่จังหวัดเลยในระยะนั้นท่านป่วย <c oughs> ท่านออกจากโรงพยาบาลมาไม่ไมครับเขาก็ยังบุทันได้กิน กินข้าวบนถนนได้คุณทันว่าเราันเลยถามจะไปให้เป็นทางการหรือจะทําเอาเองมันจะเป็นถามผมว่าผมไปเองก็ได้ในในขณะนั้นผมบนได้นึกว่าเจ้าคณะจังหวัดเลยจะทําอย่างนั้นครับอันนี้โบมณีว่าตําหนีและกับโบมณีวัดยศยองว่าวควมจริงสู้กันฟังครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะที่ผมจะเว่าวเมื่อเนี้ยวว่าเป็นผมจริงให้ฟังโดยเฉพาะ เพื่อนเลยไปจับเอาหนังสือมาเขียนมาเขียนเป็นหลายลักษณ์อักษรให้เป็นในานามของท่านผมเลยจับหนังสือมาที่จังหวัดหนองคายมาขอเอาพระที่จังหวัดหนองคายที่ผมมาฝึกหัดไปเปิดอบรมกรรมฐานอยู่ที่จังหวัดเลยคือบ้านบุกผมครับบ้านผมที่แรกเป็นการเปิดอบรมกรรมฐานครั้งแรกที่บ้านบุกผมวิธีนี้ครับ ต่วิธีที่ผมอามาดพยายามแนะนำว่าก้าวกันอยู่เดียวนี้นครับเพราะเจ้คณะจังหวัดเลยได้รวมไม่รวมมือมาท้งแต่บัล น, นะ น, นาก็นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดเลยเนี่ยไปเป็นประธานเปิดอุบลกรรมาทาน <c oughs> และการมีพระมาจากหนองคายกบมีหลายท่าน <c oughs> เมื่อจะว่าอง์นั้น <c oughs> องค์นี้มันก็หลายคนระ <c oughs> ับก็ว่าเฉพาะโดย <c oughs> ในท้องท้งจังหวัดเลย ฉะนั้นผมไปทางนั้นทางนี้ผมก็จะขอรับดุญานจากเจ้าคณะจังหวัดเลยผมถือว่าเจ้าคณะจังหวัดเลยนี่เป็นผู้ให้ต้นกําเนิดอันหนึง่งเรื่องกรรมถามผมเข้าใจอย่างเี่ครับพระอาจารย์องค์อื่นนั้นผมเคยไปติดต่อแล้วเคยไปถามเพื่นบุคคยสนใจครับฉะนั้นการศึกษาหลักพุทธศาสนานั้นจึงว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญ เราควรศึกษาและปฏิบัติให้รู้จักถ้าหากพวกเราเป็นคนเท่าคนแก่หรือว่าผู้ที่นุ่มน้อยกำลังศึกษาเราเรียนก็ควรศึกษาคือกันวิปัสสนาในสมัยนั้นผมกับบุญเป็นคนทุกข์ับกันไหนครับกับบวญเป็นคนรวยพอกลางๆคนพออยู่กอกินนี่เลยครับ แต่ผมมีความทุกข์ชนิดหนึง่งความทุกข์ประเภทที่แก้บได้ครับที่ไปแก้ด้วยมือแก้บได้คือมันมีความพอใจและความ่พอใจนี่นะครับบางทีก็พอใจบางทีก็ไม่พอใจครับผมอยากรู้จักเรื่องพอใจและไม่พอใจนี่มันเกิดมาจากใสตายแล้วเกิดบอผมก็อยากรู้จัก ตายแล้วไปตกนรกบ้ผมกขยักมุจักตายแล้วไปขึ้นสวรรค์บ้ผมกขยักมุจักนิพพานเป็นอย่างไงผมกขยักมุจักผมเป็นคนบ่ได้เรียนหนังสือแต่หนังสือบ่วเป็ น, นผมจึงจะพยายามทุ่มเทกําลังกายาคือการกระทำดังนั้นผมจึงบอกผมได้ทําอย่างนี้มาผมรู้สึกซาบซึ้งถึงจิตใจผมว่าไทยจะว่าผิดก็ตาม ภัยจะว่าทุกข์ก็ตามผมบบได้งึดโบได้งอโบได้อัศจารย์ให้ทั้งหมดผมรับรองว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัจจะจริงๆสัจจกแล้วความจริงถึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ต้องมีอยู่อย่างนี้ถึงจะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ต้องมีอยู่อย่างนี้มีอันใดคือมีทุกข์นั่นเองครับคือมีความทุกข์นี่แน่ประจําอยู่อย่างสิ ดังนั้นเรื่องกิเลสกษัตริย์เรื่องใดก็ตามรวมรวมแล้วเป็นคือความทุกข์เท่านั้นดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมะนี่ใช่มาศึกษาและมาปฏิบัติให้รู้จักทุกจริงๆจะเป็นคนชาติใดก็ตามเป็นฝรั่งอังกฤษคือศาสนาใดก็ตามพุทธศาสนาที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านั้น่ะต้องสอนได้ทุกศาสนาครับเป็นศาสนาสกลแท้ๆบ่จํากัด คือศาสนาคิดมาปฏิบัติกลูลทุกได้คือกันคือศาสนาพรามมาปฏิบัติกลูลทุกได้คือกันการทำย่างอื่นๆนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องทุกไม่เป็นเรื่องสำคัญ<ม>เป็นเรื่องจำเป็นที่สุด<ม>เขาเข้าใจว่าเขาได้ไปดูหนังดูลิเกดูละครด น, นตรีต่างๆเขาว่าเขามีความสุขบ่แมน ความทุกข์ตังหากครับเราบุรุษจักว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่บีบคั้นเราเราถือว่าเป็นความสุขแต่ความจริงเป็นความทุกข์นะครับผมเคยว่ากับมู่เพื่อนว่าเรื่องมากปูบุรีเป็นกิเลสเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นวัตถุภายนอกมันก็เป็นกิเลสก็จริงเป็นทุกข์ก็จริงมันเป็นเปลือกนอก ถ้าเราศึกษาหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วเราจะรู้จักว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ผมรู้จักเรื่องทุกข์จริงๆครับรู้จักจริงๆนั้นรับรองร้อยเปอร์เซนได้ครับผมว่าเนี่ยรับรองร้อยเปอร์เซนผมว่าผมรู้จักทุกข์จริงๆความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นมาเทใจเพราะจิตใจของเราไม่เป็นปกติหรือตัวชีวิตของเราไม่ปกติ ตัวชีวิตนั้นมันอีกเรื่องหนึง่งและตัวจิตใจดำอีกเรื่องหนึง่งตัวจิตใจนั้น่ะเป็นตัวกิเลสตัวชีวิตนั้น่ะเป็นตัวที่ไม่มีกิเลสอันไหนทั้งหมืดดังนั้นเขาควรศึกษาเรื่องชีวิตของเขาให้มันเข้าใจจริงๆเมื่อเขามาศึกษาเรื่องชีวิตของเขาแล้วเขาจะมีความสุขนิพพานนั้นบมเมนตตายแล้วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพวกเราเคยเข้าใจกัน ว่าทำบุญให้ฐานรักษาตินตายแล้วจึงจะเอานิพพานเข้าใจานะครับบอกว่าคนนั้นคนนี้ผมเองก็คือกันปรารถนาว่ า, า, าขอให้ข้าพเจ้าหมดจากกิเลสเครื่องเศร้ามองใจหรือว่าให้ข้าพเจ้าได้นิพพานในอนาคตข้างหน้าเคยว่าสุดที่นางวะัตะเมทานางนิพพานั ง, นนงปรามังมสุ ข, ขัง สุขกันจะเอาต่อต่เมื่อตายุโบเอาในปัจจุบันนี้แท้ๆผมคือกันเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆผมอยักว่าอย่างนี้ก็ได้ครับเข้าใจผิดถึงร้อยเปอร์เซ็นพ้นไ้ครับแต่คนอื่นอาจจะบอกเข้าใจผิดขนาดนั้นก็เป็นได้แต่ความจริงนิพพานนั้นมันมีอยู่ในเห่านี้แล้ว ดันั้นพระพุทธเจ้าจึงกล้ายืนยันรับรองว่าทุกคนพิจารณาได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้จริงๆที่เขาสวดหลักธรรมคุณวะเอหิปฏิโกอันนี้เป็นภาษาบาลีครับมเมื่อว่าเป็นภาษาไทยแล้วว่าควรประพฤติควรปฏิบัติ ด, ดูได้ที่จิตในขณะจิตใจของเราบุรด้ทุกปุ่งแต่งนั้นเป็นยังไงมีความทุกข์หรือมีความสุข ในขณะจิตใจเฮาทุกปรุงแต่งนั้นเขามีความทุกข์หรือมีความสุขเป็นสอดอย่างตีพระพุทธเจ้ามันจึงบูหลายจึงว่าหยิบเดียวเท่านั้นสอนให้เบื้องจิตใจถ้าเฮาเกิดความโกรธขึ้นมาใจเขาปกติบอโบเบนปกติโบเบนตัวชีวิตของเฮาใจเขาบบปกติแล้วนี่ยคำว่าบบปกตินี่เป็นอย่ง ต้องเป็นทุกข์ทางนั้นดีใจบะเนีย่ยดีใจหัวเลาะพอใจอันนั้นก็บุปกติซืออ่อว่าบบในใจเราดีใจก็เป็นทุกข์อย่างหนึง่งเสียใจก็เป็นทุกข์อย่างหนึง่งก่อนที่จะบบให้มีดีใจและโบให้มีเสียใจจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นสอนให้เฮามีสติเพราะว่าท่านจงมีสติอยู่ทุกเมื่อ คือเขามีสติยุทุกเมื่อการนั่งการนอนการกินหรือการเข้าห้องน้ําห้องซ้วมให้มีสติอันนี้เขาก็สอนกันอยู่ฉะนั้นวิธีที่เขาเอามาสอนคันนี้ก็เป็นการฝึกสติแต่ฝึกแบบหยัดยากสัก่อนครับสอนให้พลิกมือขึ้นคั่ว ม, มือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลัง เพื่อให้มีสติคุมส่วนใหญ่เมื่อเขาฝึกอย่างนี้แล้วเขาจะได้รู้จักว่าการขยิบตาการหายใจเข้าหายใจออกการนึกการคิดเราจะได้รู้จักอันนี้ผมว่าอีกตึ้มเพิ่มหนึ่งครับตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนลนตัวผมเองก็เคยได้ทำเวลาหายใจเข้าทำช่วงยา ว, ยาว ให้มันลึกๆเวลาหายใจออกก็ให้รู้จักเข้าสั้นให้รู้จักออกสั้นให้รู้จักเข้ายาวให้รู้จักออกยาวให้รู้จักอันนี้ทําทําให้ปณีลงไปทําอย่างนี้บ่บ่มีปัญญาครับเป็นสงบเมื่อทําละเอียดเข้าไปอยากไปเป็นตัวแข่งผมทําผิดมาแล้วครับอื่างนี้ครับเราบต้องทําอย่างนั้นก่อได้ครับ เพียงจะเอาความรู้สึกว่าหายใจเข้าหายใจออกพอแล้วใดๆผมรับรองอันเนี้ยรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์อิสระที่ผมรับรองนี่ผมสามารถและยืนยันไว้ว่าคําสอนของพระเจ้าต้องสอนอย่างนี้ผมเข้าใจอย่างเต็มไทยจีวรตั้งไหนผมกระโบเสือ้อเพราะผมเข้าใจอย่างซีไปแทงเข้าใจอย่างที่เป็นมิตรสาธิติหรือไทยจีว่าเป็นมิตรสาธิติก็ได้ ใครที่ไหวจะในกาได้ครับโบ๊วยว่าสำคัญด้วยคํเาเมามันเป็นสิ่งที่สมมุติแต่ข้อย่างเดียวว่าเราจะมีทุกข์เราก็แล้วกันเมื่อเรามีทุกข์อยู่แล้วนั้นแม้จะศึกษาแปรสับแสงท้องตัวกับตำารังถ้าหากมีทุกข์อยู่แล้วซื่อวาผููนั้นยังไม่เข้าใจหลักสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ฉะนั้นจะเป็นการวิธีเจริญพุโทโธก็ตามอรหังก็ตามของตามมันเป็นรวมอยู่ที่จิตใจแห่งนั้นการศึกษาปริยัตก็พิจารณาเนื้อคัวมนั้นแล้วก็ต้องมาลงที่จิตใจการฟังครูบาอาจารย์แนะนําคําสอนฟังแล้วพิจนารณาก็ไปรวมที่จิตใจที่เอามาเจริญสติปัญญานที่พลิกมือขึ้นขั้วมือลงนี่ก็ไปรวมที่จิตใจ เรื่องจิตใจนี่แหละครับเขาบอกค่อยสนใจเรื่องจิตใจมือหนึ่งวันหนึ่งมันคิดตั้งลอยเรื่องผันเรื่องเราบรุจักมันเมื่อบุรุจักแล้วที่มันทำทุกข์ให้เราเรียกว่าจิตใจเราทุกปรุงแต่งไปเมื่อเรามีสติมาคุมที่จิตใจเนี่ยจิตใจมันจิบุรุกปรุงแต่งไปครับการฝึกดูจิต ด, ดูใจนั้นสมมติว่า แมวกับหนูถ้ามีหนูแมวมันต้องคอยดูหนูอยู่เสมอถ้าหากมีหนูกระโดดลงมาแมวมันไหวตะคบเอาโลดหนูมีสิบตัวมีแมวตัวเดียวสามารถที่จะฆ่าหนูสิบตัวนั้นได้ฉะนั้นความคิดของเราเมื่อแรกนี่เราหัดดูความคิดของเราเนี่ยมันจะคิดไปหลายเรื่อง แต่มันเป็นอารมณ์ไปสติเขาบกพอสติเขาบกพอมันก็นเลยเป็นทุกข์ปรุงแต่งไปเพียงเล็กน้อยมันคิดไปได้ครึ่งครึ่งกลางๆเมื่อเราเข้าใจมีสติแล้วมันหายวับไปเจนกระทั่งที่เราดูความคิดเรามันคิดขึ้นมาปุ๊บรู้ทันทีมันคิดขึ้นมารู้ทันทีเออที่ตรงนี้แหละครับเป็นปัญหาที่ทุกคนศึกษาและปฏิบัติได้รับรองทุกคนทําได้ จะถือศาสนาใดก็ได้เพราะคนมันมีจิตมีใจนี่ครับที่พูดวันนี้โบได้พูดเรื่องรูปนามพูดเรื่องจิตเรื่องใจโดยเฉพาะเพราะว่าเวลาของพวกเราจะได้แยกย้ายกันไปผมเองก็จะออกเดินทางไปเมื่อนี้เดี๋ยวว่ากันเพื่อทำความเข้าใจเราจะไปศึกษาอยู่ที่ใดก็ได้ศึกษาอยู่บ้านอยู่เฮือนอยู่ให้อยู่สวน หรือผ้าส่งองค์เงงกำลังศึกษาเล่าเรียนขีดเขียนก็ได้ให้คอยเบื้องจิตใจเมื่อเบองจิตใจของเรามันคิดเมื่อเราเห็นเรารูเร า, าเข้าใจความคิดนั้นจะบุธุภปปูุงแกงจะหยุดไปเองเมื่อความคิดบุูก ป, ปูมิแกงมันหยุดไปเองเรียกว่าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาสติไรีว่าความระลึกได้ สามตาสัญญาความรู้ตัวอันในรู้ส่วนภายนอกนีนบ่ อ, อามาเว้าครับเว้าแต่ส่วนภายในโดยเฉพาะเมื่อเรามีสติมีสมาธิคอยเบิงอยู่ส่วนร่างกายเฮานี้ต้องทํางานตามหน้าที่คนมันต้องทํางานเนี่ยครับว่าทำงานโบได้ฉะนั้นจึงว่าวิธีที่พวกเราทํากันอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเอาไปทํากับการกับงานทํามาหา ก, กินได้สบายถ้าเราฝึกเข้าใจแล้วครับ อยากทกํากรรมฐานจะก็ได้ไม่อยากทําก็ได้เพราะเราฝึกสติให้สติเราเข้มแข็งเมื่อพอดีมีอุปสรรคเกิดขึ้นมาแล้วปุกมันเข้าไปอยู่กับจิตใจโลบเดียวครับมันเห็นจิตใจฮอลล์รถทันทีมันเข้าไปอยู่ที่จิตใจทันทีข่มโกตรเลยโบกเกิดครับวิธีข่มโกตรข่มโลภคมล่มหลงบกเกิดนี้เป็นวิธีนึงเป็นวิธีเบื้องต้นครับ ฉะนั้นผมจึงก้ายืนยันรับรองว่าพระพเจ้าสอนมานี้คนเมื่อบ่มีความโกธรความโลภความหลงแล้วก็มีความสุขเขายากแค่วมากจิตใจเขาปุ่งแตกจิตใจพุทธ้ปุ่งแตกบ่มแม่ร่างกายปุ่งแตกจิตใจต่างหากาจิตใจมันมันหลงมันหลงว่าแค่วมากและมันมันที่มีความสุขพอแม่ปู่ยา่าตายายคําบอกว่า หรือพระพุทธเจ้าหรือไผ่เว้ากลงกระบุงจักันละย่าเห็นนรกเป็นสวรรค์ท่านเป็นว่นาย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวท่นนานเฉพาะเดี๋ยวนี้เราเห็นนรกเป็นสวรรค์เห็นกงจักเป็นดอกบัวทําไมจึงพูดว่าอย่างนั้นขันอยากสยาอยากแควมากเมื่อเขาไปแควมากไปสูขอยาแล้วคราว่าเขามีความสุขความจริงอันนี้เป็นทุกข์ครับเป็นทุกทุกร้อยเปอร์เซ็นพนะครับ บนเปทุกน้อยทุกร้อยเปอร์เซ็เขาหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่กับทุกข์ก็แหงแล้วครับผมเห็นอย่างซียิ่งผมโบเสื้อผ้าทั้งหมดยังซึ่งไปเอาสิ่งนั้นมาเข้ามามันโบไม่ของจําเป็นครับเอาเข้ามาอีกตืมมันก็นยิ่งผาละหนะักเข้าไปกตืมยิ่งทุกเข้ามาอีกตืมตืมหนึงผมเลิกตั้งแต่มื่อนั้นจนกระทั่งบัดนี้โบเป็นอย่างครับควมทุกสิ่งนั้นหมดไปเอง ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องและครูบาอาจารย์ตรือญาติบงทุกคนมันเลิกกับผู้เดียวนั้นบ่มีครับเพราะเขาบ่มีได้สัมผัสทางจิตใจเนี่ยมันบ่สะดุดใจได้รไปเมื่อเขาได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันเป็นทุกข์เขาก็กเสร้าก็มีค่าได้คือการกับผู้ที่ไปเห็นแจ้งโดยสะดุดใจเอาว่ามันเป็นทุกข์นั่นกหะมีค่าเท่ากันครับ อย่างที่ผมว่านี่โอ้พี่เจนาปวดทุกข์จริงๆเนี่ยทั้งกะเศร้ากระไดกคือกัดเพราวันนี้เพ้นว่าความโกดเป็นทุกข์เด้พีาสันอย่างที่พ่อแม่พี่น้องเหาทุกคนเหาเคยโกดมูาะเลาะ ก, กันผิดเที่ยงกันเนี่ครับเหาต้องต่อว่าต่อเที่ยงกันอยากเอาชนะมันเป็นทุกข์จริงๆทุก100้อยเปอร์เซนอันนี้ก็ะไดครับ วันนี้ยังส ม, มุติวเพิ่นโบได้ประสบด้วยปัญญาบบเห็นแจ้งทางพัฒนาจิตใจได้ยินครูบาอาจารย์ว่าให้งฝังบอกโอ้การทะเลาะกันผิดเถียงกันนี่เป็นทุกดเดเหากเสาซักกระไซได้คือกันผมสะดุดใจผมว่าการทะเลาะผิดเถียงกับคนอื่นนั้นทุกทุกร้อยเปอร์เซ็นต์เถอะท่นผมเข้าใจอย่างสิจึงผมว่าจะเริ่มทุกผมบบได้เข้าใจเรื่องอื่น และเราไปติดสมมุติต่างๆซิ่งสิ่งที่สมมุตินั้นมันแก้ทุกข์ให้เราบดายแม้เราจะไปไหว้ที่ไหว้เทวดาแก้ทุกข์บดายเมื่อผมเข้าใจยังซีแลละครับผมปรากฏทางจิตใจเมื่อผมว่ายังซีครูบ า, าอาจารย์ลืมพอออกไม่ออกที่หาว่าผมว่าเอ้หลวงพ่อเทียนเนี่ยผิดแล้วครูจังซีผิด เป็นอาบัติปราชิกไปเสียแล้วก็ยอมรับครับในบทปราชิกที่ในม่าว่าเศษเมทุนหนึ่งรักของเขาหนึ่งฆ่าสัตว์หนึ่งพูดอวดอุตลิมนุษยสาสต ร, ร์ทคือทำอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนหนึ่งอันนี้เราเข้าใจขักขับด้ครับถ้าบราเข้าใจคักขับแล้วผิดเสพเมทุน เราจะเข้าใจว่าตรงกันข้ามกับโบแมนเนี่ยครับนักของเขาเราจะเข้าใจว่าไปรักเงินนักของซื้อๆกับโบแมนครับอฆ่าสัตว์เราจะไปเข้าใจว่าฆ่าสัตว์ที่มีลมหายใจ ย, น, ยนั่งกับโบแมนอีกจุดหนึ่งพูดอวดอุตรีมนุษษาทำคือทำอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนอันนั่งกัแมนอยู่จริงแล้วเราบอเข้าใจคํานี้จริงครับผมไปนั่งทํากรรมฐานผมเข้าใจอย่างจีิครับ ตอผมจึงบอกได้เสื้อของครูบาอาจารย์การลักของเขานั้นคือหมายถึงทรงจํามาจากตาลักตาลาผมเข้าใจอย่างจีิครับาการลักของคนอื่นพระพุทธเจ้าโปรดสอนว่าจําแล้วออกไปว่าวเนื้อเจ้าของปฏิบัติบบได้กําสร้างเพื่อนโบได้สอนอย่างนั้นเจ้าของต้องปฏิบัติได้และทําอย่างนั้นได้จริง<า>เป็นของเรามาจริงๆร<า>ออกไปวา่าบโผิด เซพเมทุนเจ้าของอยาไปยุกับคนซัวคนผานคนงโงูเซพเมทุนนี่หมายถึงจิตเสพเมทุนหรือตรงกันข้ามกับบุคคลจักยังไงหมายถึงการไปรยูน่น<ม>้าการไปรยุกับคนพานหรือการไปรยุกับคนทิศลาดหรือจิตวิญญาณกรตามนะครับผมเข้าใจดางเสียจริงๆครับหมายถึงไปยุน่นํานี่ละเซฟนะครับหรือละจิตเซฟกับวิญญาณกระตามซานะครับ หมายถึงอันนี้ลักของเขาก็หมายถึงไปจดจํามาซึ่งที่เจ้าของทำไม่ได้ข้าสัตว์หมายถึงความจริงมีอย่างหนึง่งพูดไปอย่างหนึง่งอันนี้เป็นอาการการข้าสัตว์ครับคือมรรคนิพพานมีอยู่ในคนทุกคนและมาทำให้เป็นความยุ่งงากขึ้นมาพูดไปโดยเป็นย่างอื่นไปความจริงแล้วสัจจะอ น, นั้นเราก็เลยไม่ได้เห็น นี่เป็นการฆ่าสัตว์พูดอุตรีมนุสนาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนทำที่ควรรู้ทำที่ควรเห็นหรือมรรคผลนี่ผ่านอันสูงสุดนั้นรู้ได้ทุกคนเมื่อบรรลุนั้นเพื่อนเรียกว่าเป็นปุถุชนเมื่อรู้แล้วเพื่อนว่าเป็นธรรมอริยบุคคลดังนั้นเราบสได้เข้าใจว่า สิ่งที่เป็นทุกข์เขาว่าเป็นสุขเมื่อเรามาเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วสิ่งที่ทุกข์มันกระทุกจริงๆสิ่งที่สุขมันก็สุขจริงๆจช่ไหมทุกข์มีจริงสุขมีจริงนรกมีจริงสวัสด์มีจริงพระพุทธเจ้าสอนอยงไรครเราเลยไปเข้าใจว่าทุกข์ไม่มีจริงดอกสุขไม่มีจริงมันเลยไปตรงกันข้ามอย่างสี่งดังนั้นเมื่อนี้ต้องขอขอเว้าเป็นการโคกกันกระแมน เป็นการข้อการต้อยจังกะเม็นเฮาต้องพยายามศึกษาให้ทุกจริงๆครับซึ่งเสพติดมืนเมาภายนอกเนี่ยเป็นทุกเฮา อ, อยู่ตั้งแต่ตัวเฮาซื่อๆนี่พอแหงแล้วครับฉะนั้นก็จะววาให้รู้จักพอประมาณเครื่องใส่ไม่สอยทุกสิ่งทุกอย่างจึงบวพเพหลุงมพลังไปใส่มาใส่คือกันอันนี้บเมนผมซีว้าอวดครับวอลขมจริง ผมไปใส่มาใส่เครื่องของผมโหลายจากเทื่ยผมเห็นว่ามันเป็นทุกข์ผมจีบบุคคลเอาอย่างไปหล่มันเป็นทุกข์บางคนที่ไปใส่มาแส่ป่าโทอืถห่าไปวะไหวใส่รถใส่ล้ใลอใส่เกียร์ไปแน่มันผิดกันอย่างที่จะคนประกอบด้วยทุกข์อยู่ด้วยทุกข์ล้ผลอยู่ด้วยทุกข์ออกจากทุกข์โบไาณทุกสิ่งนี้เขาจีบไปเข้าใจว่าวัตถุสิ่งนั้นเป็นทุกข์บ่ใจพุ่นนะครับ ใหญ่คุณนะมันบุูมจักใจมันบอดใจมันมือมันก็เลยทุกทางร่างกายนี่เข้าไปครับเมื่อร่างกายทุกใจมันบุ๋มจักเลยมันได้ไซเฮาได้รับใจเพราะนวจิตเป็นนายกายเป็นเรือกสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนไายอันนี้เน่ยพระวรคลองไปสอบอารมณ์ไปให้ข้อคิด ว่าใจจังซีหล่บผมก็เลยบอกเข้าใจว่าจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนตายผลที่สุดบางทีเพิ่์นอาจจะรู้คือกับผมกระบอกข้จักหรือบุรูษก็ผมกระยุบ้จักผมเข้าใจจังซี่แล้วไปเวากับเพิร์นเพิร์นว่ากูบาอาจารย์หลายๆองค์ว่ามันผิดว่าท่นเพิร์นวายผมผ ม, มันผิดว่าท่นผิดผมกรหลับหลับว่าผิดมันผิดเพิร์นแต่มันทูกผมถูกพราจังไรวน ปลูกพ่อผมเสาเลิกสิ่งเสพติดหมื่นเมาได้ทุกประเภททำทุกอย่างรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ั้งแต่เมื่อนั้นมาผมบอกออกมาแท้ๆผมเห็นว่ามันเป็นทุกจริงๆประเภทที่หนึ่งนี่สิ่งที่งมงายเลวไหลไล่สระผมไม่ทำผมนึกว่าเทวดามาไหว้นึกว่าผีมาไหว้สิ่งที่เป็นของขังการปลูกเสพ เส้นหนังบังฟันงวธนูขูหน้าน้อยผมจะได้อามาท่าถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องมือนี่ห้าหากให้มีงัวธนูขูหน้าน้อย